เรื่องที่สองหยุดใจทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีการหยุดการพักเป็นระยะเขียนหนังสือก็ยังต้องย่อหน้าเว้นระยะวรรคตอนไม่ใช่เขียนด่าไปถ้าใครทําอย่างนั้นข้อความก็เละหมดแม้แต่พูดเราก็ต้องมีจังหวะพูดบ้างหยุดบ้างไม่ใช่พูดเตลดเิดเปิดเปิงไม่มีจังหวะจ๋าโคนไม่ใช่อย่างนั้น เรื่องของใจก็เหมือนกันต้องมีเวลาพักมีการตัดใจจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งมีการหยุดใจมีการล้างใจใจของเราจึงจะอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีคือมีความคิดแจ่มใสและสามารถหลั่งพลานุภาพออกสู่งานที่เราทำได้การหยุดใจอาจทำได้หลายวิธีตรงกับที่ทางศาสนาเรียกว่าทาสมถะ หมายถึงการทำใจให้สงบแต่มีวิธีหนึ่งที่ทำได้ง่ายทำได้แทบทุกโอกาสและทุกสถานที่ถึงไม่ใช่ทำได้ทุกแห่งทุกหนแต่ว่ามีโอกาสที่เราจะทำได้มากกว่าวิธีอื่นถ้าเป็นมีดก็เห็นจะเป็นมีดพับถ้าเป็นยาก็เห็นจะเป็นยาดมคือน้ำติดตัวไปได้ง่ายไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าแก่ว่าสาว และไม่ต้องห่วงว่าใครเขาจะหาว่าเป็นคนแก่วัดหรือเป็นคนคร่ำครึวิธีที่ว่านี้คือการนับลมหายใจตํหรับเดิมของท่านจริงๆเรียกว่าอานาปาหรือธามานาปาพระพุทธองค์ทรงเข้าสู่สมาธิจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็โดยวิธีนี้แต่ในที่นี้ข้าพเจ้าจะขอเสนอเพียงวิธีปฏิบัติเบื้องต้นนิดเดียวเท่านั้น คือเจียดเอาของท่านมาใช้เพื่อให้เข้ากับชีวิตประจำวันของคนชาวบ้านแท้ๆอย่างเราๆท่านๆนี้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเรียกชื่อวิธีนี้เพียงว่าเล่นลมหายใจและตั้งความมุ่งหมายไว้ว่าเพื่อการหยุดใจเท่านั้นหากผู้ใดต้องการปฏิบัติให้ก้าวหน้าในสมาธิเบื้องสูงก็โปรโดถือว่าวิธีที่ข้าพเจ้าจะสอนในชุดก้าวหน้านี้เป็นบท ของสมาธิอาจจะเปรียบให้ฟังง่ายๆเหมือนกับว่าข้าพเจ้าจะพาท่านไปนั่งเล่นเย็นๆที่ร่มโพหน้าโบสถ์หากท่านผู้ใดอยากจะเลยเข้าโบสถ์ก็ได้ผ่านทางนี้เหมือนกันการเล่นลมหายใจนี้ถ้าพยายามฝึกให้เกิดความชํานาญพอสมควรแม้จะไม่ถึงกับทําได้ดีจริงๆก็ตามท่านจะรู้สึกว่าท่านได้มิตรที่ดีไว้ช่วยสร้างความสุข และความก้าวหน้าอย่างประหลาดถณะใช้วิธีนี้ทําให้ตัวท่านเองหลับง่ายๆเช่นหลับเพื่อพักใจชั่ว3มนาทีสนาทีหรือนานกว่านั้นแล้วแต่ท่านจะตั้งใจไว้ตอนก่อนหลับเมื่อตื่นขึ้นใจจะมีกําลังกระปี้กระเปาเหมือนไม่มีเรื่องหนักใจมาก่อนอาจทาเพื่อล้างความคิดต่างเรื่องไม่ให้ปะปนกัน ในเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนเรื่องทำงานในเวลากระทันหันหรือทำเพื่อย่นระยะทางย่นเวลารอย่นเวลาคุมขังหรือใช้ระงับทุกขเวทนาระงับความโกรธและความน้อยเนื้อเสียใจก็ได้สำหรับท่านที่บังเอิญต้องอยู่ในที่ที่ไม่มีเพื่อนคุยเลยการคุยกับลมหายใจของเราก็ดีเหมือนกันประการสาคัญที่สุด การเล่นลมหายใจเป็นการบรรเทาความเมาได้ดีมากทำวันละสัก5นาทีเท่านั้นเรื่องเมาตัวเมายศเมาอำนาจวาสนาจะสางไปมากทีเดียววิธีปฏิบัติง่ายๆมีดังต่อไปนี้ลำดับหนึ่งการเตรียมตัวข้อที่1ผู้นับลมหายใจจะต้องอยู่ในอิริยาบถที่นิ่งเช่นนั่งหรือนอน จะยืนก็ได้แต่ต้องมีที่พิงถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรยืนเพราะเวลาจิตสงบร่างกายจะหมดการทรงตัวหัวเข่าจะอ่อนสุดลงทำให้ตกใจตื่นนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงเป็นดีที่สุดข้อที่สองปล่อยตัวตามสบายอย่าเกรงส่วนใดส่วนหนึ่งข้อที่สามมือทั้งสองต้องวางไว้บนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่นวางบนตักหรือบนพนักเก้าอี้แล้วแต่ลักษณะของที่นั่งความมุ่งหมายคือไม่ให้มือตกเวลาจิตสงบซึ่งจะทำให้ตกใจตื่นข้อที่4เมื่อพร้อมแล้วให้หลับตาเสียลาดับ2ดูภาวะของจิตเมื่อหลับตาแล้วให้ตรวจดูภาวะของจิตก่อนเพื่อเลือกวิธีนับลมให้เหมาะกับจิตในขณะนั้น ลองสังเกตดูว่าขณะนั้นจิตของท่านอยู่ในอาการอย่างไรใน3ลักษณะต่อไปนี้ก็ไก่จิตติดอารมณ์คือความคิดจ่มใสดีเป็นลักษณะที่บอกว่าจิตเอาการเอางานดีมากแต่เราต้องการจะให้จิตหยุดคิดเพื่อพักผ่อนหลับนอนสักทีหรือเพื่อเปลี่ยนเรื่องคิดใหม่ก็ตามขอไขจิตสมณะในวงเล็บ โซมณัสสะสหกตะตังมหักกตะตังจิตตังคือจิตกำลังคิดอะไรเพลิดเพลินมีความดีใจมากเช่นตนได้รับรางวัลสอบไล่ได้ได้ยศคนรักเข้าใจกันจะได้รับมัน่นหรือรุ่งขึ้นจะเป็นวันแต่งงานเหล่านี้เป็นต้นเพราะความดีใจนี่เองทำให้จิตหยุดคิดไม่ลงแต่ก็เป็นเรื่องคิดเรื่อยเปื่อย จับต้นชนปลายไม่ได้ข้อควายจิตโทมนัสในบางเล็บโดมนัสสะสหกตังมหากกตังจิตตังคือจิตคิดในเรื่องที่น้อยใจเสียใจแล้วก็หยุดคิดไม่ลงเช่นเสียใจเพราะความวิบัติกลุ้มใจเพราะคนรักเป็นอื่นน้อยใจที่สอบตกหรือถูกรังแกหรือเป็นถ้อยเป็นความ แล้วแต่เรื่องแต่สังเกตได้ว่าจิตกำลังอยู่ในอารมณ์ประเภทที่ไม่พอใจแล้วก็อะไรเรื่อยเปื่อยไม่มีดีปลายเหมือนกันรวมความว่าภาวะของจิตมีสามคือฟุ้งไปฟุ้งร้านและตกต่ำเพื่อจำง่ายโปรดดูรูปเปรียบเทียบต่อไปนี้กไก่จิตติดอารมณ์พุ่งไป รูปภาพเป็นรูปสปริงที่พุ่งไปทางขวาขอไข่จิตสมนัติฟูงขึ้นรูปภาเป็นรูปสปริงพุ่งขึ้นข้างบนขอควายจิตโทมนัตตกต่ำรูปภาเป็นรูปสปริงพุ่งหลงข้างล่างโปรดตรวจดูภาวะของจิตท่านก่อนจะนับลม แล้วจำไว้ว่าอยู่ประเภทไหนก็ไก่ขอไข่หรือคอควายลำดับสลองลมเมื่อรู้ภาวะของจิตแล้วอย่าพึ่งลงมือนับลมแต่ให้ลองดูลมก่อนพอเริ่มเอาจิตเข้าสัมผัสกับลมและเริ่มบังคับลมด้วยกระแสจิตเริ่มแรกลองหายใจเข้าหายใจออกดูทำสัก3ามสี่ครั้ง เพือลองดูว่าหายใจขนาดไหนจึงจะเป็นที่สบายที่สุดพอดีที่สุดเมื่อจับได้แล้วก็เริ่มใช้ลมขนาดนั้นต่อไปในวงเล็บโปรดทราบด้วยว่าการหายใจที่เราหายใจอยู่ตามปกตินี้หามีขนาดเท่ากันไหมแล้วแต่อารมณ์ของจิตเช่นขนาดถูกขดาจดีใจอยากได้ชังเหล่านี้เป็นต้นทาให้ลมหายใจสะดุดเป็นพัก และไม่สม่ำเสมอพอจับขนาดลมได้แล้วให้ทำดังนี้หายใจเข้าหายใจออกจมูกช่องขวา3ามครั้งหายใจเข้าหายใจออกจมูกช่องซ้าย3มครั้งหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกันสองช่องสมครั้งการที่จะให้ลมหายใจเข้าออกช่องนั้นช่องนี้ตามที่เสนอไว้นี้เพียงแต่ท่านนึกเอาเท่านั้น ไม่ต้องอุดช่องจมูกหรือทำอย่างอื่นใดเพราะตามธรรมดาความคิดของคนมีส่วนสัมพันธ์กับลมหายใจอยู่แล้วลำดับ 4. ี่นับลมบัรนี้ถึงตอนที่ท่านจะเริ่มทำสมาธิด้วยการนับลมแล้วท่านจงตั้งใจว่าท่านจะต้องเอาใจจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจตลอดเวลาและต่อเนื่องกันไปไม่มีหยุดพักหรือเวน้นในระหว่างเลย ทังจะต้องรักษากติกาด้วยความซื่อสัตย์การนับให้นับเป็นคู่ๆและนับในใจเริ่ม 1. ลมเข้าแล้วทําเสียงยาวไปจนลมผ่านออกหมด 1. อีกครั้งแล้วนับ2ต่อไปโดยวิธีเดียวกันถ้าจิตอยู่ในประเภทกและขอให้นับแบบจิตรวมถ้าจิตอยู่ในประเภทคอให้นับแบบ ขยายจิตวิธีนะับแบบรวมจิตลมหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดปดปดเก้าเก้าสิบสิบหนึ่งหนึ่ง สองสองสา6สามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดปดปดเก้า้าหนึ่งหนึ่งสองสองสามสาสี่สี่ห้าห้าหหเจ็ดเจดปดแปด ย่นลงไปอย่างนี้ชนถึง 1-1 วิธีนับแบบขยายจิตลม 1-1 1-1-2-2 1-1-2-2-3-3 ขยายไปชนถึง 1-1-1-10 กติกาการนับลมข้อที่1 ความมุ่งหมายสาคัญของการนับลมอยู่ที่การเอาจิตจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจตลอดเวลาการนับให้เป็นเพียงวิธีการเท่านั้นฉะนั้นท่านจะต้องบังคับจออยู่ที่ลมอย่าให้ขาดระยะหากท่านปล่อยให้จิตแวบไปเรื่องอื่นแม้ว่าการนับจะติดต่อกันจนตลอดก็ไม่ได้ผลข้อที่2อขณะที่กาลังนับอยู่นั้นจะมีบางระยะที่จิตเผลอ ท่านจะเกิดความสงสัยว่านี่เรานับถึงหมวดไหนแน่หากเกิดสงสัยอย่างนี้แสดงว่าวิถีจิตของท่านขาดตอนจะต้องทำโทษตัวเองโดยเริ่มนับตั้งต้นใหม่คือเริ่มแต่หนึ่งหนึ่งจงอย่ารำคาญต่อการลงโทษทำานองนี้เพราะการลงโทษนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกจิตข้อที่สอย่ามีความคิดอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เช่นอยากให้ตัวหลับอยากให้จิตสงบหรืออยากเห็นนิมิตก็ตามจงตั้งหน้านับลมอย่างเดียวข้อที่4ขณะที่จิตจะเข้าภาวังนั้นหากท่านเห็นนิมิตบางอย่างเช่นเห็นฝนตกเห็นน้ำบ่าเห็นไฟแลบเข้ามาหรือเห็นภาพประหรลาดและบางทีก็จะเกิดมู่วาบในตัวบางคนเกิดคันตามผิวหนัง เหมือนมดกัดพร้อมๆกันทั้งตัวอาการเหล่านี้เป็นเพียงมายาของจิตอย่าสนใจอย่าดีใจหรือเสียใจตั้งใจนับลมอย่างเดียวประเดี๋ยวมันก็หายไปเองนิมิตต่างกล่าวนี้เกิดแก่คนบางคนเท่านั้นและไม่เหมือนกันเสมอไปข้อที่หท่านที่นับลมเพื่อพักผ่อนคือจะให้หลับช่วงงีบควรตั้งใจไว้ก่อนว่า จะหลับกี่นาทีเมื่อนับลมไปถึงตอนที่จิตเผลอก็ให้ปล่อยเลยให้จิตเข้าสู่นิทราอันแสนสุขได้ทีเดียวแล้วจิตจะตื่นตัวขึ้นตามเวลาที่ตั้งใจไว้ข้อควรทราบวิธีนับลมที่ได้ผลควรทำอย่างนี้คือพอเริ่มต้นให้เอาจิตจ่อไว้ที่ปากช่องจมูกพอหัวลมหายใจเข้ามากระทบช่องจมูก ให้เอาจิตจับที่หัวลมนั้นแล้วให้จิตนําลมเข้าไปในท้องจนถึงท้องน้อยแล้วนํากลับออกมาตลอดเวลานั้นนึกนับในใจว่าหนึ่งคือนับยาวไปตามลมจนหัวลมออกมาถึงปากช่องจมูกจิตของเราหยุดอยู่ตรงนั้นคืออย่าเลือออกไปจอคอยดูลมที่ผ่านออกจนถึงหางสุดของลม การนับหนึ่งจึงสิ้นสุดแล้วก็เริ่มจับลมคู่ที่สองต่อไปเปลี่ยนแต่การนับเป็นสองเท่านั้นความยุ่งยากนี้อาจจะมีอยู่ในระยะแรกๆเท่านั้นพอชำนานหน่อยก็เป็นไปเองเท่าที่ขพเจ้าปฏิบัติมาด้วยตัวเองได้พบเห็นอาการของจิตอย่างหนึ่งคือก่อนที่จิตจะสงบนั้นปรากฏว่าลมหายใจหยาบมากเหมือนกับเอาเชือกปอยบหยาบ สอดเข้าในท้องแล้วชักเข้าชักออกบางทีทนไม่ไหวต้องเลิกแต่ไปไปหน่อยอาการนั้นก็หายทีนี้ลมหายใจกลับละเอียดมากมีลักษณะใสปนเขียวเหมือนใ ย, ยแก้วและเย็นซาบซานบอกไม่ถูกทำให้สบายมากขบเจ้าทดลองบังคับให้สายลมหายใจผ่านวกบนไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย ตามที่อาจารย์แนะนำปรากฏว่าทำได้บ้างนิดหน่อยเพราะจิตยังไม่ชำนาญพอที่ว่านี้เป็นตอนที่นำจิตเข้าผวังในสมาธิเลยขั้นเล่นลมหายใจไปแล้วแต่เล่าไว้เผื่อท่านผู้ใดนำไปถึงขั้นนั้นจะได้ไม่สงสัยอย่างไรก็ตามสำหรับท่านที่ขี้วิตโตกข้าพเจ้าข อ, ขอรับรองว่าการเล่นลมหายใจอย่างนี้ จะไม่ทําให้สติปัญญาวิกลวิกาลไปเลยมีแต่สร้างพลังทางใจและเพิ่มพูนกำลังปัญญาเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้หวังความก้าวหน้าและต้องการความสุขทางใจ